อขอกราบคารวะพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์ให้ขอขาดคณะสมและแม่ชียอดเยยมเจริญพรนะครับตามสบายๆก็ตามปฏิบัติตามเพื่อดับทุกข์ เป็นจุดมุ่งหมายก็คือว่าบัณฑุนิพพานถ้าผูง่ายง่ายพุทธศาสนาคืออะไรพระพุทธเจ้าตาวุณก็บอกว่าสองความทุกข์กับสองการดับทุกข์ก็แค่นี้ จากความทุกข์แตงความทุกข์นี้ก็เป็นที่เริ่มต้นการาความดับทุกข์แก่จุดมุ่งหมายที่เป็นสุดที่สุดแต่ว่าพวกเราก็ไม่เคยได้าสัมผัสกับความทุกข์ เท่าใกล้จะถึงความทุกข์ก็กอยากรีกเกลี่ยงไม่อยากเห็งความทุกข์ทางกาย ท, ท, ทางใจมันทุกข์กรบเวธนาทางกายทางใจนี่ก็มันทุกข์แต่เราก็ ไม่ได้แห่งความทุกข์ก็มีแล้วก็ว่านี่ดีนี่ไม่ดีก็เราก็ทะเลาะกันกับเพื่อนแต่ไม่ได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่ใจในปัจจุบันคือความทุกข์อยู่ที่ใจ เราก็ทะเลาะบอกเว้นวก็อทำนี้ทีเทียนคนนี้คนนั้นว่าไม่ดีไม่ไมก็เราก็มันจะเป็นอย่างงั้นก็มี่ านอันนี้ก็มันเป็นอริยสัจสี่ทุกกะสัจจะทุกขันอันนี้ก็ไม่ก็ได้เห็นถ้าไม่ได้เห็นก็ไม่ได้จักขะเราก็เริ่มไม่ได้อยู่เริ่มต้น จิงๆแล้วมันก็ถ้าเห็นความทุกข์นี้ก็โอกาสที่ดีเราก็มีเปิดโอกาสที่จะถึงดับทุกข์ได้ถ้าไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก็ไม่ถึงความดับทุกข์ เะฉนั้นเป็นอาญาสัตวีเริ่มต้นแห่งความทุกแห่งความทุกนี้ก็เป็นสคัคกญมาถ้าเราสัมปัสแล้วกไวาาว็ไม่ต้องว่าดา่าตัวเองไม่ต้องว่าด่าคนนี้คนนั้นหรือว่าเป็นเหตุการณ์สเสมวดล้อม แต่ว่าพยายามที่จะจัดงานกับความทุกข์ถ้าเราสัมผัสแล้วก็รู้สึกดีก็จะรู้เห็น มองความทุกข์เป็นนาคารยังไงทางไงนี่เกิดขึ้นเป็นยังไงทางใจก็เกิดขึ้นอะไรบ้างมันก็เห็นเป็นทัศต า, า, า, าเป็นเช่นนั้นหรือว่านี่เกิดทุกข์ก็เกิดถ้าเราเห็นแล้วก็ ก็เข้าใจสมุติไทยก็คือว่าสาเหตุทำให้เกิดทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นก็มีสาเหตุแน่นอนถ้าทางกายความทุกข์ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ มันก็มีเชื้อโรคหรือว่าอ า, าการของอวัยวะที่นี่ที่นั่นนี่ก็เป็นปิดปกติอาจจะไม่สนเดินมันเจ็บคอหรือว่าปวดท้อง เพราะอาหารอะไรมันเจ็บป่วยนี่ก็มันก็มีสาเหตุถ้าเราไม่ได้ดูไม่อยากสัมปัสก็มันก็มียาคางก็หนักขึ้นหนักขึ้นก็ได้แต่ว่าไปหาหมูชเช็กไลด์หรือวให้หมอตรวจ จะได้รู้แล้กวก็คุณหมอก็จะแนะนาว่ากินยานี้กินยานัน้นหรือจิตยาหรือว่าป่าตัดจาแก้ได้ยิ่งเรารู้ไปหาหมอแล้วก็รู้ว่ามันอาการยันเล็กน้อยก็จะรักษากายมันก็ง่าย ถ้าหนักเป็นอาการหนักก็มันก็หายยากื่องจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้เห็นทุกความทุกข์ก็มันก็าจะาคิดไปคิดนั่นถ้าเรากับคนนี้คนนั้น ไม่ได้รู้เข้าใจสาเหตุเราทำอะไรก็ร้ายยังสารพัมดมบพลันแต่แก้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จุดที่เป็นสาเหตุที่ทำให้กุดทุกข์ตานใจ ป้าบอก ว, ว่าคนนี้ไม่ดีหรือว่าอาดีตเป็นอย่างนี้อย่างนั้นพ่อแม่ทําอย่างนั้งอดีตกับฉันป้าด่าฉันก็คิดนี้คิดนั้นเกิดมโนภาพหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆภาษาในใจมันขวางความคิดไปเรื่อยมันจิตมันปุ่นเต่น ก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นอาจจะเป็นโรคจิตหรืออาจจะอยากจะกล้าตัวตายมันก็หนักจริงๆถ้ว่าเราก็สัมผัสกับความทุกข์ตามใจแล้วก็ปิดจรารณา รู้แล้วก็เอาเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือว่าไม่ใช่เป็นาสาเหตุที่ทำให้เกิดไม่ใช่พ่อแม่เพื่องคืนทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็มันก็เกิดขึ้นที่ปัจจุบันนี้ แล้วก็สาเหตุนี้ก็ทำไมกับกายวาจาใจในปัจจุบนันนี้แล้วก็ทำด้วยตรงแอนโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนี่ก็เป็นนบิชา ไม่เห็นไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันเถลอไปแล้วคิดนี้คิดนั่นนี่ทำให้มันกอาการก็หนักใจหนักขึ้นแต่ว่าถ้าเราสัมปัสได้แล้วว่าเออนี้แด มันก็ความไม่รู้ตัวอาภิชานี่ไม่ความมาอะนี่เป็นไม่ในวิชานี่มันเห็นตัวไม่เห็นไม่ยอมดูไม่ยอมเห็นมันเดิมตัวหรือไม่เก้าใจเผลอตัวนี่เป็นนาบิชา แต่ว่าเราก็มีโอสดที่เป็นยาที่คุณภาพดีก็คือสติมันก็รู้เห็นสัมปัสเข้าใจว่า น, นี้เปมนนั้นวิชาไม่รู้ตัวแต่เราก็สัมปัสได้เห็นว่านี้อย่างนั้นเป็นเช่นนั้น ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็มันก็วิจาเพียงเป็นวิจาได้แล้วก็ดูว่านี้แหละเป็นตังหาประทานจิต ม, มันก็ปรุงเต็มไปประทานตั้งกั้งห้ากันตั้งห้า อุปทานรูปอุปทานเวทนาสัญญาสังการมบิ ญ, ญาณนี่ก็ทำให้เกิดภพอชาติจรารมาละนะแล้วก็มันทูกมันสารพัฒว่าตัวฉันแต่งของคือตัวกูนี่กูนัดก็ มันก็เป็นโลภะโทสะโมหะทิฏฐิมานะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมารูเข้าใจมันสมมติไทยสัจะแป็งอริยสัจอันทีนท่สองก็เข้าใจดี เราก็มันหยุดได้หยุดเบียนเบียนบี น, บ น, บนเป็นสัญชาติเดยานหรือว่าวัตถสุสารที่เบียนมาเบียนไปเป็ น, อ, อ, ป น, ปนอะไรเป็นอะไเป็นเป็นเรื่อยเรื่อย มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ต่อไปมันสาเหตุทำให้เกิดเอทนาตังหาปัตตาภพชาติแล้วเาก็เกิดความทุกข์สารพัดและทำให้เกิดวิจาริจ ญ, ญาณสังขาร นามารูปยธาณนะสัมปะเวทนามันก็เบียนมาเบียนไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเรามันเห็นมีสติเข้าใจแล้วก็มันก็หยุดได้หยุด จากต่อขึ้นเวลานางขึ้นยาวขึ้นนี่มันก็หยุดได้มันเรื่องก็ไม่ได้เรื่องพังขาอะไรไม่ได้สร้างต่อไปได้นี่ก็มันขึ้นทาง ไป น, นิพานเราก็จัดการด้วย <Okay. S 1> เป็นสาเหตุทำให้เกิดดับทุกข์ได้ความดับทุกข์นี่ก็เป็น <Okay. S 1> นีโรคนีโรคคือ อริยสัจโคตที 3, ่ามก็มีเหตุมีปัจจัยทําให้เกิดนิโรธไดเออ้เป็นสาเหตุทาให้เกิดนิโรธได้คือมัคคอม8เป็นโคที่4ของอริยสัจสี 4. สาเหตุหรือว่าวิธีการที่ทำให้เกิดดับทุกข์นี่ก็ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาส ม, มาธิที่เรารู้กันดี เฮนาริอัสเอ่อเป็นมักออมแปดนี่เป็นต่างกายทางวาจาทางใจเราก็เลือกที่มันสมาธิสิ่งที่ถูกต้มเป็นความชอบละความไม่ชอบความไม่ชอบเป็นเป็นเป็นมิจฉา อันแต่มิชาทิ่จิถึงมิชาสมาธิความเต็มอัตสมทางกายทำวาจาทางใจเราไม่เลือกอันนี้แล้วก็เราเลือกเป็นสัมมาเป็นความตกถูกต้อม มองเห็งความถูกต้องวาจาก็ความถูกต้องการกระทำ า, าอาชีพแล้วก็สันมาวายโมความเพียนที่ถูกต้องสันมาสติก็จะสติมันถูกต้อง สมาธิก็ถูกต้นก็เกิดเป็นปัญญามัางระดับทุกสิ้นเจอนี่ได้มันเป็นจุดมุ่งหมายที่เราปฏิบัติทมโดยเฉพาะการเริยนสติที่เราเป็นเน่ง แล้วก็พยายามปฏิบัติธรรมมันก็มันมีพลัง ม, มีแ่งคือนภาพดีในการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าถ้าตรงที่เรามีสติก็ไม่ทำบาปทำดีทุกสิ่งทุกอย่างได้ รู้แห่งสัมผัสมันเลือดแล้วก็สิ่งที่ดีและสิ่งที่พยายามเป็นบิดะความเพียรขันธิที่ความหมดทงนี่ก็อยู่ในสติมันมีอยู่ ถ้าดูแล้วก็มันก็ละได้เป็นอุเบกขาอุเบกขาก็มันก็เป็นสิ่งที่มันใช้ได้ความไม่หยุดมั่นถือมั่นผาถานี่ทำให้เกิดทุกข์แต่ว่าเราก็ละทิ้งไม่หยุดมั่นถือมั่นมันก็เบกขา จิตสติเราก็ก็สร้างเวขาจิตได้เพราะแค่เราก็รู้ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยไม่ได้ยึดสิ่ง น, นี้สิ่ง น, นั่งไม่ได้ยึดกับความคิดไม่ได้ยึดกับกายไม่ได้ยึดกับอดีตอนาคตไม่ได้ยึดกับ พ่อแม่เงินทองอะไรต่างๆแล้วก็แก้รู้สึกตัวมันเห็นมันดูมันเยินไปเรื่อยๆรู้สึกไปรู้สึกไปกพราะว่าเราก็เราก็เราก็ออกจากฐานโลกเป็นฐานโลกก็เราก็ยึดมั่นถือมั่นกับความสุขความทุกข์ มนตาเสร็จสิ้นทุกสุขอ๋อไดอ้นี่ก็มันก็เราก็ละออกไปได้ออกไปได้แล้วละได้แล้วก็เราก็ออกจากโลก ันสิ่ที่เป็นโลกนี้ก็เป็นที่ทำให้เกิดทุกข์แต่ว่าถ้าเราก อ, อกจากโลกได้แล้วก็เป็นอมัตะเป็นทา้าวเวรสุขเกษมที่เป็นอมัตะเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นเราทำวันนี้ หรือว่าทำในปัจจุบันนี้รู้แล้วรู้มากก็ความไม่รู้เป็นน บ, บิจชานี่ก็ลดนองหายไปความเข้าใจความรู้ความเตือนเตือนไม่ได้หล่นในฝันไม่ได้หล่นในความคิด มนโนภาพไรต่างๆแล้วก็มันก็อิสระจากรลบปปจากนามก็ทมไปเรื่อยๆจนถึงมรรคตอนนิพพานในปัจจุบันนอาจารย์นี้ทุกๆคนเธอกราพระพร้อมกัน